ใครอยู่ที่ไหนทั้งยงวัดบ้านสวนก็เหมือนกันเวลาแขกคนมามากก็จะให้พักที่ไหนก็ให้เตรียมไว้เหมือนกันเรื่องน้ำเรื่องถ่าเรื่องของน้ำํำผงส้วมองอะไรทางฝ่าวัดของเราก็เหมือนกันทั้งบ่ายในครัวช่วยกันตรวจตราความพร้อม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 ในใจของพ่อของแม่แต่ละคนแต่พ่อแม่แสดงออกในความรักจนเกินไปคนอื่นลูกคนอื่นเขาก็อิจฉาเหมือนกันพออิจฉาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือในแม่ไม่ให้ความร่วมมือนั่นแหะท่านพ่อแม่คนนั้นจะทำตัวอย่างไรทั้งที่เลี้ยงลูกมาตั้งมากคนหนึ่งม่ได้เอาอกเอาใจปล่อยปลอยู่คนไม่กี่คนมีคนเดียวคนอื่นก็มองห่าง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 ของพ่อของแม่เราควรจะทำตนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดกันทางนั้นแหละถ้าว่าพ่อแม่ก็เฉยๆเมยเมย์ื่อบืไปเรื่อยลูกๆกันล้านๆก็เฉยๆเมย์เย์ื่อบืดไปเรื่อยไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักมีไม่มีน้ำใจดยูด้วยกันจะหาความอบอุ่นไม่ได้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 ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมเนทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเช่นขนขวายดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยของเพื่อนกันเข้าไปตั้งวิจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมมเนทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าด้วยรับหลังด้วยนะไม่ใช่ต่อหน้าแต่ทำลาบร้อแผลนะรับหลังนะจะเอามีดทิ่มแทงหลังกันไงทั้งต่อหน้าและรับหลัง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 โอวาดแล้วก็นนะอยู่นะแล้วก็ปฏิบัตินะกายวาจาใจของเราเพื่อสวัสวงหาทางโพธิทุกมาได้มาสวัสดิเพื่อลาบยศ ส, นะสระเสริญสุขใดๆทั้งหมดนะอันนี้คือในใจของเราลองต้องคิดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นอนะแตรหลวงพ่อว่าอยู่ในสถานที่ใดนะอยู่ในครูบาอาจารย์องค์ใดนจะุในชุมชนใด